คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางความคิดยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเคยตัวขึ้นเท่านั้นความคิดเป็นก้าวแรกของการทำยิ่งคิดจริงคิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเท่าไหร่แนวโนงการทำจริงทำสำเร็จก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางความคิดคือเคยชินที่จะคิดเล่น คิดเหลวๆคิดแบบหลอดภาระคิดทิ้งคิดคว้างไม่สร้างรูปแบบความคิดที่ชัดเจนแนวโน้มการทำจริงทำสำเร็จจึงต่ำมากหรือหมดสิทธ์โดยสิ้นเชิงยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไรยิ่งเคยตัวขึ้นเท่านั้นการฝึกสังเกตปฏิกิริยาทางกายและทางจิตทีละครั้งทีละหนต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปี อาจช่วยให้พฤติกรรมทางความคิดเปลี่ยนไปรวมทั้งสร้างแนวโน้มการทําจริงเพิ่มขึ้นด้วยฝึกสังเกตความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนกับความคิดเหลวๆอ่อนปวกเปียกสิ่งที่น่าสังเกตเป็นอันดับแรกคือความคิดที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเริ่มนับตั้งแต่เมื่อเกิดเป้าหมายแจ่มกระจ่างร่างกายจะเหมือนมีพลังอัดฉีดให้กระตือรือร้อน ไม่อยากอยู่นิ่งงอมืองอเท้าอ่านข้อตั้งหลังตรงโดยอัตโนมัติหาทางขยับหาทางออกก้าวไปเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นทุกคนต้องมีความคิดชนิดนี้เกิดขึ้นบ้างอย่างน้อยก็ตอนอยากพูดสิ่งที่อัดอั้นในใจอยากให้คนบางคนได้ยินได้ฟังจากนั้นให้สังเกตความคิดเหลวๆอ่อนปวกเปียกเอาแน่เอานอ น, อนไม่ได้ว่าจะทาหรือไม่ทา มีความโลเลกัำกึงอยู่ระหว่างอยากตัดสินใจกับไม่ต้องการตัดสินใจร่างกายจะออกอาการมืออ่อนเท้าอ่อนถ้าเดินก็เชื่องช้าเหมือนจะหยุดยืนถ้ายืนก็มีแนวโน้มจะสุดเข่าลงนั่งบือ้อถ้านั่งก็นั่งหลังงอคอพับคออ่อนใกล้แผ่นอนถ้านอนก็ส่อแววนอนแช่ยาวมาราทอน จิตจะเลือกความคิดเองเมื่อสังเกตความต่างนานพอเมื่อสังเกตกิริยาทางใจที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางกายอยู่อย่างนี้คุณจะพบความจริงข้างเคียงเช่นตอนจินตนาการถึงความสาเร็จตัวจะเบาไม่เหนื่อยร่างกายพร้อมจะตอบสนองอาการคิดคิดฝันๆันเพ้อเจ้อด้วยท่านอนกระดูกอ่อนไม่ค่อยมีน้าหนักให้รู้สึกว่ามีตัวตน ต่างจากตอนตั้งเป้าใหญ่เห็นเป้าชัดคิดอ่านวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนร่างกายจะตอบสนองพลังขับดันทางความคิดที่กระจ่างด้วยกระดูกแข็งที่ดันคอให้ตั้งดามหลังให้ตรงเกิดน้ำหนักตามที่เป็นอยู่จริงรู้สึกมีตัวตนให้จับต้องได้เปรียบเทียบระหว่างกระดูกอ่อนกับกระดูกแข็งไปนานๆในที่สุด จิตจะเลือกตัวเองในแบบที่ทำให้กระดูกแข็งเลิกแพ้ภัยตัวเองจะคิดอะไรคิดจริงเห็นว่าแค่คิดจริงก็เท่ากับทำจริงไปแล้วกว่าครึ่ง